น้อมน้อมต่อคุณพรัดนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ก็รบอย่างสูงของพวกเราโอกาสอาจารย์ยูกิและเพื่อนศาสติกมิกท่านาเจริญธรรมนัมชีและยาติท่านทุกท่านวันนี้ก็มีกลุ่มปฏิบัติเข้ามาใหม่นะกนะ็เป็นโอกาสดีนะก็จะได้มาร่วมบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมนะเข้มใส่สืบวันของวัดป่าสุตโต ครั้นี้ทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะรู้นะ<ม>ก็เพราะว่าเราอาจะมาแก้ทุกข์ในใจของเรานั่นเองนะเราก็มีความทุกข์ทางกายทางใจนั่นแหละแต่เราแก้มันไม่ได้น ะ, ะทุกทางกายเนี่ยจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกนะความแก่ความเจ็บความตายมันแก้ไม่ได้นะหรือเราหิวเราง่วงอเราร้อนเราหนาวหรือเจ็บคข้ได้ป่วยทั้งหลายแล้แลวเราก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะ หิวแล้วก็ไปทานเนดะี๋ยวก็หิวใหม่นะง่วงไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงใหม่เดี๋ยวเรานั่งไม่เมื่อยเออลุกขึ้นมามันก็หายเดี๋ยวก็ต้องเมื่อยกลับมานั่งอย่างเก่านะสิ่งเหล่านี้แก้ได้ชั่วคราวนะก็ ค, คือสรุปแล้วทางกายมันแก้ไม่ได้นะที่มันแก้จริงๆก็คือมาแก้ทางใจกันนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะนะเพราะความทุกข์ทางใจเนะี่ยเรามีเยอะนะอย่างคนค่าตัวตายเนะี่ยจะมีความทุกข์ทางใจแทบทั้งนั้นนะส่วนคนมีความทุกข์ทางกายไม่่อยฆ่าตัวตายเท่าไหร่หรอก อันนี้มาแก้ทุกทางใจกันนะทุกทางใจก็มีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนะี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องอามาแก้ในตรงนี้กันนะาการปฏิบัติทําจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้ากลับมาดูจริงๆนะ่ยมันแก้อย่างไรนะก็คือถ้าเราแค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างในทางกายเราทางใจเราเท่านั้นเองนะยอมรับจริงๆโดยที่ใจมนะันยอมรับจริงๆมันก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วนะไม่ต้องทุกข์อะไรเลยนะ อ่เช่นเรามีความแก่แล้วก็ยอมรับความแก่จริงๆนะหรือเราผมผมงอกแล้วก็ยอมรับความขนผมงอกนั้นจริงๆนะเราหนังเหี่ยวก็ยอมรับหนังเหี่ยวนั้นจริงๆนะตาฟางหูตึงก็ยอมรับเขาจริงๆเท่านั้นนะมันก็ไม่ทุกแล้วนะหรือเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนะ สินทรัลละต่างๆเยอะแยะเลยะเกี่ยวกับเราทั้งนั้นเลยนะลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สินเงินทองของเราอะไรทั้งหลายอะไรเราสูญเสียเข้าไปนะถ้าเราแค่ยอมรับความเปนจริงเยเราก็ไม่ทุกข์นะหรือจะเป็นโลกธรรมแปดนะถ้าเรายอมรับโลกธรรมแปดเราก็ไม่ทุกข์นะก็คือมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรนเริญเนี่ย ก็แค่ยอมรับความจริงเท่านั้นเองมันก็ไม่ทุกแล้วนะก็คือให้จิตในยอมรับความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ในกายในใจเรานะยอมรับโดยที่จิตเขายอมรับของเขาเองจริงๆแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์เลยนะแต่มันจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันเข้ามาตรงนี้เองเพื่อมันยอมรับความจริงเห็นว่ามันเออมันก็ไม่เที่ยงเป็นแบบนั้นเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเมื่อมันไม่เที่ยงอ่ะมันก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วนะ เมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวแม่ตนของเราเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะให้ใจมันยอมรับความจริงตรงนี้จริงๆนะใจมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องดิ้นรนอะไรในทางใจเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้นะพอใจมันไม่ทุกข์แล้วมันอยากปฏิบัติไปทําไมนะคราวนี้ที่เรายังมีความทุกข์อยู่เพราะว่าจิตเราเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงจริงๆเท่านั้นเองนะเราก็ต้องมามาปฏิบัติกันเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงนะ คาวนี้การจำนิสติเนี่ยมันก็จะเข้ามาเห็นความจริงในตรงนี้ได้อย่างหนึ่งว่าให้ทางกายเนี่ยมันก็มาตามรู้กายนะตามรู้กายแล้วก็ตามรู้ใจนะกายแล้วก็ตามรู้กายไปเออความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ก็ไปเห็นเห็นความเคลื่อนไหวของกายนะพอมันเห็นความเคลื่อนไหวของกายมันรู้สึกรู้สึกบ่อยๆจิตก็เป็นตัวติขึ้นมันก็ไม่ทุกข์มากนะอันนี้เป็นความจริงนะ เมื่อเรามีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นความทุกข์มันเกิดที่ทางใจแต่เรามาเปลี่ยนมารู้ทางกายแทนนะมีความรู้สึกในทางกายแทนเออใจมารับรู้ความเคลื่อนไหวในทางกายเนะี่ยความทุกข์มันก็หายไปครนนึ่งแล้วนะจิตมัน็นปกติได้เร็วนะนยกตัวอย่างเออเรื่องนี้ก็แล้วกันนะก็มีคราวหนึ่งก็พระอาจารย์คันชิดนะ พระอาจารย์คันทิศก็เป็ น, ปนพระอาจารย์ซึ่งอยู่ในสายลุงประเทศนี่แหละแต่ท่านก็อยู่วัดสนิธรรมในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยท่านก็เคยเล่าให้ฟังมาบอกว่ามีลูกศิษย์งท่านคนหนึ่งเนี่ยมาหาด้วยหน้าตาที่เ ค, เคร่งขยันนะดูแล้วก็มีรู้เลยว่ามีความทุกข์เนี่ยพระอาจารย์คันทิศก็ถามว่าเ อ, อกาลังมีความทุกข์ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิ<ะ>ว่ามีความทุกข์อะไรลูกศิษย์ก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังนะ แต่ก็ดูแล้วมีความทุกข์แต่ก็ยังไม่ยอมเล่าอ่า NO อาจา ร, รย์คันชิตเลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันอ่านั่งสร้างอย่างละให้ดูก็แล้วกันนะลูกศิษย์นี่ก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยนะ อ, นนนอาจารย์คันชิตก็บอกวิธีการสร้างอย่างละแล้วก็ให้เขาสร้างอย่างละในประมาณครึ่งชั่วโมงนะพอสร้างครึ่งชั่วโมงปัป๊บนี่คนนี้เขาก็โอ้บอกว่าเขาเบาลมีความสุขมากเลยก็เบ า, นนา <amo> <Daddy> มีความสุขมากเขาบอกว่าไม่เคยมีความสุ ข, สข <quello ishes> นี้มาก่อนมาประมาณสามเดือนแล้ว <S <S นะ แล้ว ก, ก็เลยเล่าให้อาจารย์คันชิกฟังว่าเขามีความทุกข์อะไรน ะ, ะก็เล่าว่าภรออรยาของเขาเนี่ยหนีไปอยู่กับชู้เนี่ยสามเดือนมาแล้วนะก็ปล่อยลูกสองคนให้เขาเลี้ยงเนี่ยเขามีความทุกข์มากนะเพราะว่าก็มีภาระในการเลี้ยงดูลูกด้วยนะการทำมาหากินก็ต้องรับคนเดียวล้วก็รู้สึกว่ามีการเสียศักดิ์ศรีนะนนเสียศักดิ์ศรีถูกเหยียบย่ำนะถูกขมเหงท้งใจนะ เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยอ่าเรื่องนี้ข่มเหงไม่ได้นะมีความทุกข์มากแล้วก็บอกว่าเนี่ยตั้งใจว่าจะมากราบลาพระอาจารย์แล้วหลังอย่างนี้ก็จะไปฆ่าอภรรยาและชู้เนี่ยเสร็จ แ, แล้วก็จะมาฆ่าลูกอีกสองคนให้ตายแล้วก็จะฆ่าตัวเองต า, ตายตามไปด้วยนะแล้วก็พร้อมกับควักปืนามาให้ดูนะแล้วบอกว่าเออมื่อกี้ที่อาจารย์ให้มาสร้างยางหวะเนี่ยขึ้นเงาโมเนี่ยเขาบอกว่าความทุกข์นี่มันหายไปเลยนะ พอเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ในความคิดตลอดเออจะทํำยังไงดีจะจัดการยังไงดีอ่ามันดูถูกเรานะพอมาทราบอย่างแบบเออก็มันมันกลับมาที่ฐานกายปั๊บเนี่ยพอมารู้สึกตัวจริงๆเออไ อ, อ, อ, อความคิดเพอนมันก็หายไปเลยนะมันมีแค่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเนยะมันก็เลยเออความทุกข์มันก็อยู่ส่วนหนึ่งไ อ, อความให้ร่างกายจิตใจเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ใ, <น>ใช่ไหมไ อ, อทุกข์มันไม่ใช่ใจของเราครั้นี้เราไว้ไวแบกรับมันเข้ามาสเดือนแล้วเนี่ย พอมันขึ้นไหวเออมันกินก็เลมไปประกวดปกติเลยมันก็ไม่เป็นทุกข์นะมันก็เลยเบาไปเลยนะเขาบอกว่าเหมือนกับเขาก็วางความทุกข์มันก็วางก้อนหินได้แล้วล่ะเขาก็ไม่อยากเอาหินมันขึ้นมาแบกอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเขาปล่อยไปแล้วนะบอกว่าเขาให้อภัยทั้งสองคนแล้วนะแล้วเขาก็ให้ทั้งสองคนในอยู่ด้วยกันต่อไปเถิดนะเขาก็จะเลี้ยงลูกไปนะเขาเขาไม่ไม่ไม่คิดที่จะไปฆ่าเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย วางใจได้เลยนะเขาสัญญาการอาจารย์ในตรงนี้แล้วนะอในแล้วเขาก็กลับไปได้นะเนี่ยนี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความทุกข์ทางใจเนี่ยมันแก้ได้ไหมจริงๆแล้วความทุกข์ทางใจมันสามารถแก้ได้นะอะความทุกข์ทางใจไม่เหมือนความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายมันแค่บรรเทามันแก้ไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันแก้ได้อย่างเช่นพระรหัต์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายนะ พรท่านเกิดมาแล้วท่านก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายมีร้อนมีหนาวมีหิวมีง่วงเป็นธรรมดาทุกๆคนแต่ในขณะเดียวกันความทุกข์ทางใจเนะี่ยท่านแก้ของท่านได้แล้วนะแก้มันได้แล้วจนทั้งผ้ า, าหานเนี่ยแก้ได้ที่สุดเลยนะมันก็ไม่มีความทุกข์ทางใจที่มาเกาะได้ต่อไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านสามารถแก้ได้แล้วก็ยอมรับความจริงในตรงนี้นั่นเองนะคือัเมืม่อปฏิบัติทั้งหลายลหลอะไรทั้งหลายลหลาเยอะ แ, แย ะ, แยะกลับมามันก็จะไมาเห็นความจริงตรงนี้เออมันก็ง่ายๆแค่แนะนำนันไม่ได้ยากอะไรเลย ก็คือเราแค่ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเราโดยที่ใจเราไม่ไปทุกข์กับเขาแค่นั้นเองมันยอมรับสิ่งที่หยุดตรงหน้าของเราแล้วเนี่ยเมื่อมันจิตไม่ยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกต่อไปแล้วมันก็จบแค่นั้นเองนะก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วนะแต่เมื่อเรายังจิตมันยังร้ยยอมรับตรงนี้จริงๆไม่ได้มันก็ต้องปฏิบัติกันต่อนะกลับมาเห็นความจริงในตรงนี้นะ อ, อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีนะก็คือท่านจุลบัรดกนะจุลบรรดกเนี่ยเป็นเป็นพระอะซึ่ง อ, อาจจะไม่ค่อยที่จะจําได้อะไรสักเท่าไหร่นะก็คืออยู่กับพี่ชายซึ่งบวเป็นพระเหมือนกันนะพี่ชายซึ่งพระก็สอนคาถาให้แค่สี่สี่คําเท่านั้นเองนะสี่บทหรือสี่คำนี่แหละให้ท่องปรากฏว่าท่องไม่ได้เนะอยู่ต้องนานก็ท่องไม่ได้น ะ, รนนนะะพระพี่ชายก็เลยไล่หนีไปนะ ตจุระบันดกนี่ก็เกิดความน้อยใจนะเกิดความน้อยใจก็ว่าจะไปศึกนะก็เลยไปเวลาพระพุทธเจ้าว่าอยากจะขอศึกแล้วนะนะเพราะว่าโดนที่ชายไล่แล้วนี่ก็น้อยใจอพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ก็แล้วกันนะอ่ไม่ต้องไปท่องอะไรหรอกเอาผ้าขาวนี่ก็แล้วกันเอาไปคลึงไปคลึงคลึงนะจุบันดกก็เชื่อก็ผ้าขาวมาคลึงนะ พอคืงไปคืนมาพระขาวนั้นก็หมองไปนะก็คือมันก็เริ่มจะคล้ำไปอ่พระจุมดก็ไม่พิจนาโอพระขาวีเมื่อกี้มันก็ขาวแล้วนะพอเรามาคืงนี่มันก็หมองมันก็เศร้าหมองไปมันก็ดําไปนะก็คือมันไม่เที่ยงนั่นเองนะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะคราวนี้พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยจิตมันเห็นที้ความไม่เที่ยงตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยกลับเข้ามาพิจณาตัวเราเองของท่านเองว่าเออมันก็เป็นพิชเชนในมันกันนะ มันไม่เที่ยงนร่างกายจิตใจเรามันก็ไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อแม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเราบังคับกัญชาก็ไม่ได้หรอกพอใจบรรลุถึงการยอมรับตรงนี้ปุ๊บจิตกับบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะก็คือกลับมายอมรับในความจริงนั่นเองว่าสิ่งต่างมันไม่เที่ยงไปบัดนั่นเองนะหรือในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระท่านก็นั่งนั่งอยู่ใบไม้ก็หล่นลงมานะเป็นใบไม้ที่ แก่แล้วเนี่ยมันก็ร่วงหล่นลงมาเองถ้านก็มาพิษาณาดูโอ้ใบไม้มันร่วงลงมาเองเนาะเมื่อก่อนมันก็เป็นใบอยู่บนต้นนั่นแหละมันก็เขียวเขียวดีนะแต่เมื่อมันแก่แา้วมันก็ร่วงลงมานะก็มาเทียบกับตัวเองเออเราก็เหมือนกันอีกหน่อยเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในอีกหน่อยเราแก่เราก็ต้องตายไปนะก็มาพิษาณาดูเอมันไม่ไม่เที่ยงนะใบไม้มันไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเป็นทุกข์ เมื่มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยมันจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเราเนี่ย ก, กลับมาดูตัวเองปุ๊บ ก, ก็บเป็นรู้เป็นพระอรหันต์กันนะก็คือเมื่อจิตมันยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลุดออกมาจากตรงนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติก็คือเข้ามารู้ตรงนี้เท่านั้นเองว่าเออให้จิตมันยอมรับความจริงตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่ทุกข์อีกต่อไปนะแต่ในขณะที่เราจิตเรายังไม่เข้าถึงตรงนี้เราก็ต้องมาศึกษากายใจเราเนี่ยแหละไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนนะว่ามันเป็นอย่างไรนะก็ใส่การเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นนสิ่่งทีรู้ะ รู้การเคลื่อนไหวเออการเคลื่อนไหวพอเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราก็รู้ว่าเออมันก็ไม่เท่นจริงๆนะเออมื่อวานนี้เรายังปฏิบัตริรู้สึกตัวดีอยู่เลยเ อ, อ๊ะทําไมวันนี้เราไม่รู้สึกตัวนะ เ, ออเราก็มีความทุกข์เออทำไมเป็นแบบนั้นเนะ่าเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีเราก็ไปตามหาอีกนะไปตามหาเมื่อวานนี้มันก็ตามหาไม่เจอแล้วก็ทุกข์อีกนะพอเจอแล้วก็ดีใจโอ้ดีดีเหมือนเมื่อวานเลยอันนี้เขาเรียกว่าเราเรายังไม่เห็นความจริงในตรงนี้นะ แล้วก็มาเห็นเออเมื่อวานมันไม่ดีเมื่อวานมันดีวันนี้มันไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของมันไม่เรื่องขอเราเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้มันไม่ตัวไม่ตนของเราแค่นี้มันก็จบแล้วนะก็เห็นความจริงแล้วเออเราบังคับก็ไม่ได้จริงๆริงนะแล้วเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วมันคิดไม่ยอมหยุดเลยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ได้น่าลำคาญจริงๆนะอนะเราก็ไปบังคับให้เขาหยุดนะใช้คําบริกรรมมั่งเดินช้าช้ามั่งส่ายอย่างไรช้าชามั่งไปบังคับให้เขาหยุดอันนี้มันก็ไม่ยําเป็นนะ พรว่าเขาแสดงอะไรให้เราเห็นเขาแสดงนิจังให้เราเห็นอยู่แล้วว่าเออเขาก็คิดเขาเป็นแบบนั้นเองนะเ อ, อเขาแสดงหน้าตาใเราเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเขายังคิดขเขาคิดของเขาเองน ะ, นะอันนี้มันแสดงพระใจรักเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราเห็นความจริงแล้วก็หลุดออกมาแล้วแต่เมื่อเราไม่ยอมหลุดออกมาแล้วก็ไปไปดิน้นรนทางใจนะออต้องดีนะต้องทําให้ดีนะทําให้ดีให้ได้เนี่ยไปหาหาหาความดีกันนะอันนี้ก็มันก็ไม่ถูกทั้งนั้นเลยนะ เพราะนั้นคอนเซปมันอยู่ไหนคอนเซปมันก็คือว่าอยที่เรกว่าความคิดรวบยอดเนี่ยเราจะไปบัติต้งไหนก็คือมาเห็นในจันทรุกขานตาโดยที่เราไม่ทุกข์มันนั้นเองนะมันดีมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเรามันเป็นเรื่องของที่มันเป็นแบบนั้นของมันเองนะเขาเรียกว่าเป็นตถตาก็คือมันเป็นแบบนั้นของมันเองนะแต่เราก็ได้ไปทุกข์กับมันนะก็แค่นี้ก็จบแล้วนะเพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาทังตรงนี้เราจะค่อยๆเห็นว่าไอ้กายไอ้ใจเนี่ยมันไม่มันมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่เที่ยงมันจริงๆเราก แล้วมันก็เป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยใจมันก็เบานะใจมันก็เบาหลงลงเยอะอในสุดมันก็แค่กลับมากลับมาสู่ตัวเราเองนั้นเองว่าเออเราเราก็เป็นแบบนี้นะมันก็เป็นบรรดาสมันนั้นนะไม่ใช่หน้าทิ้งเราที่จะไปบังคับอะไรเขาะหรือเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่เออมันเป็นแบบนั้นมันทํางานมันเองนะอความคิดมันก็ทำงานแค่มันเองไม่ใช่เราอยากให้คิดแต่มันคิดกับมันเองนะ พอเราเห็นว่าความคิดมันทํางานมันเองปั๊บน่อจิตมันจะเข้าใจเลยว่าเออเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้น้ออ่ามันไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้มันจึงไม่ให้ตัวไม่ใช่ตัวเราแต่เราไปบังคับบัญชาได้มาเลยนั่นแหละความเป็นตัวตนเลยเกิดขึ้นพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมามีความรักมีความชังมันก็รักมันก็ชังกับมันเองไม่เกี่ยวกับเราเออจิตมันทํางานมันเองน้ออ่าหรือมันไปไปโกรธไปเกลียดใครมันก็เป็นเรื่องของจิตมันทํางานเองไม่ไม่ใช่เรื่องเราเลยแม้แต่นิดเดียว มันก็จะได้แยกมาว่าเออไอเนี่ยมันทํางานเองนะไม่ใช่เราไปรักไปชังเขาไม่ใช่เราไปไปกลัไปเกียดใครเขามันจะได้แยกมาเออมันไม่ให้ตัวไม่ให้ต้นองเราจริงแมิงก็กลายเป็นเราไปรักไปชังมาตลอดอนะ่ากลายเป็นเราไปกลัไปเกลียดเขาตลอดมันก็แยกมาไม่ได้สักทีนึงเนยมันต้องกลับมาดูตรงนี้นะยอมรับความจริงมันไม่ง่ายนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อดีนะแต่ปฏิบัติเพื่อเอาความจริงนะความจริงคืออะไรความจริงก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะมันเปลี่ยนแปลงมันทั้งวันเอ่เดี๋ยวมันก็ รักเด็กก็ช่างเดี็กก็ดีใจเด็กก็เสียใจอเด็กก็ยินดีเด็กก็ยินไล่เด็กก็ง่วงเด็กก็เบื่อเด็กก็เครียดเดี็กก็เสงนะอ่าอันนี้คือความจริงนะความจริงคือตรงนี้นั่นเองนะไม่ใช่ความจริงก็ต้องมีสติตลอดเวลาต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาตลอดเวลาไอ้นั้นมันไม่ใช่ตรงจุดนั้นนะจุดจริงๆมันคือตรงนี้คือความไม่เที่ยงของกายของใจนี่แหละมันเป็นจุดนี้เองอ่าเราจะเห็นอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงทั้งวัน นะพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราก็เห็นเออมันก็เป็นของมันนแบบนั้นเองนะเพียงแต่เรายอมรับความจริงกลับมาดูง่ายๆแค่นี้ว่ามันเป็นแบบนั้นมันเองมันก็จะเจาะมาแล้วมันก็จะจบในตรงนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราอยากดีไปบังคับบัญชามันเมื่อไหร่นั่นแหละจิตมันจะเกิดการดิ้นรนที่จะเข้าไปกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้มันดีเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่ความดีจริงๆนะเนี่ยมันก็จะได้มองเห็นในตรงนี้กันนะการปฏิัติรรมมันก็จะง่ายขึ้นน โดยการที่เรากลับมารู้ในความเป็นจริงเหล่านี้นะครั้นี้ผมทานนี่เราจะไปสู่ในจุดนั้นนะมันก็ต้องมีเทคนิคอย่างที่ว่านะก็คื อ, อให้ดูนะดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นธรรมนั่นเองนะก็คือการที่เรามาเคลื่อนไหวเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะรู้สึกรู้สึกไม่ต้องไปรู้อะไรมากไปกว่าความรู้สึกไม่ต้องรู้ว่าเออนี่เท้าซ้ายกระทบพื้นนี่เท้าข ว, กวากระทบพื้นนะ เนยกมือขวานหรือยกมือซ้ายอะไรอาเพราะนั้นมันสมมุติเท่งนั้นนะมันยังไม่่ของจริงของจริงมันแค่รู้สึกรู้สึกเท่านั้นเองนะอ่านะเป็นสิ่งที่ ง, ง่ายๆเป็นสิ่งเบื้องต้นแล้วก็เราพลิกมือขึ้นพลิกมือลงอ่านะหรือกำ ม, มือนะแบมือเนี่ยเราก็ไม่ต้องรู้ว่ า, าขณะนี้กำหรือแบมันก็เป็นความรู้สึกว่าขณะนี้กำกำกลกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำอำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก้กำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก เห็นแต่รู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกรู้สึกรู้สึกเฉยๆก็พอแล้วมันจะเห็นในความรู้สึกเท่านั้นเองนะเห็นในความรู้สึกนะเมื่อเห็นความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับความรู้สึกแล้วมันก็เกิดความเบาสบายนะเบาสบายมันไม่มีสมมุติอะไรหรอกแค่รู้สึกน่ะมันมันไม่มีสมมุติอะไรว่าเออนี่เป็นอะไรอย่างโน้อย่างนี้นะนี่เป็นซ้ายเป็นขวาอ่าอะไรหรือว่าต้องยกข้งยกขาหรือต้องยกมือนะ แต่คนนั้นก็สมมุติขึ้นมาแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกจริงๆนะะมันจะได้เบาสบายแค่เนี้ยใช่ไหมแล้วเมื่อรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็สังเกตนิดนึงว่าเป็นตัวเรารู้สึกไหมนะไม่ใช่ว่าเรากําลังรู้สึกนะถ้าเรากําลังรู้สึกมันก็ยังไม่เบาไม่สบายนะอหมันก็ยังมีสมมติอยู่ว่าเออเรากําลังรู้สึกนะเรากําลังรู้สึกเราก็ยังยกแขนยกขากําลังเดินกําลังนั่งกำลังนอน มันยังมีตัวเราอยู่นะมันก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเฉยๆนะถ้าเรารู้สึกรู้สึกเฉยๆมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ในความรู้สึกนั้นนมันก็แค่เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะนจะได้ตัดลงมานะมันได้เห็นความจริงโอ้มันก็แค่รู้สึกเท่านั้นเองนะพอรู้สึกมันก็เบามันก็สบายนะก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะเนี่ยมันก็ตัวนี้ไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจที่ต้องรู้สึกตลอดเวลาหรือต้องอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นตัวที่เอาดีอีกเหมือนกันนะพอไม่ดีเอาดีไม่ได้มันก เรื่องนี้ก็อยากจะเล่าตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันอ่สนมะัยก่อ น, นะ น, นก็เนะคยไปเที่ยวอนะในป่าในเขาอกนะ็ขึ้นไปบนป่าบนเขาแห่งหนึ่งนะก็ไปเจอวัดเล็กๆวัดหนึ่งนะมีพระอยู่องค์เดียวนะอยูในดูกับชาวเขานะั่นแหละเป็นชาวกัลเหลียงนะก็เลยไปขอท่านพั ก, พกขอพักกับท่านด้วยนะ ท่านก็สิบต่อพรรษาแล้วหละท่านก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างนะแต่ในขณะท่านพูดรู้สึกท่านก็มีความเศร้าหมองอยู่นะท่านพูดเออเมื่อก่อนอก่อนอที่จะห้าพรรษาเนี่ยท่านมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งใจปฏิบัติธรรมมากนะะแต่พอสิบพรรษาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอท่านเหมือนกับว่าท่านคงจะปฏิบัติธรรมแล้วไม่ให้ดีเท่าไหร่ท่านรู้สึกมีความท้อใจนะมีความพูดแบบท้อใจอยู่นะ ทอถอยท้อทอใจแต่ก็ไม่ได้ถามเลยท่านเยอะเพราะตอนนั้นท่านสาเราก็ายังนิดนิดเดียวเท่านั้นเองนะยังไม่ค่อยอยากจะถามเลยท่านเยอะนะว่าตอนหลังก็ก็ลงมาแต่ตอนหลังอีกไม่นานก็ได้ข่าวท่านศึกไปแล้วนก็เลยมาประมวลเหตุการณ์ดูโอ้สงสัยว่าท่านมาอยู่องค์เดียวนะท่านตั้งใจปฏิบัติมากเลยนะยิ่งมาอยู่องค์เดียวยิ่งตั้งใจปฏิบัติมากแล้วก็คงเจาจริงอจาจังมาตลอดนะ แต่ว่าท่านคงคิดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องดีถาวร น, นะต้องดีถาวร น, นะแต่เมื่อมันไม่ดีถาวรเออบางวันคงจะ ด, ดีบางวันก็คงไม่ดีนะท่านก็เลยท้อใจว่าเออทาไมมันไม่ดีถาวร น, นะหรืออาจจะเคยศึกษาครูบาอาจารย์ว่าเออปฏิบัติแล้วมันต้องได้แบบนี้แบบนี้นะต้องเห็นดูเห็นนี้นะต้องมีอบางสิ่งบางอย่างซึ่งพิเศษกว่าธรรมดานะแต่เพราะไม่ได้สิ่งพิเศษนั้นท่านก็เลยท้อใจนะ เมื่อท้อใจก็คงจะนึกว่าเออเราหมดบุญแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะอยู่ก็เลยเสด็จออมาเลยนะอันเนี้ก็จริงๆแล้วแสดงท่านไม่ยอมรับความจริงว่าเออมันเป็นแบบนั้นเองนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่เที่ยงนะมันดีทุกวันมันก็ดีไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ตัวไม่ตนเราจะบังคับเขาให้เป็นไปตามใจเราได้ไหมมันก็ไม่ได้แม้ใครๆจะเป็นพระหันกันหมดแล้วเ่ร็จใช่ไหมแต่ท่านกาลังนึกจริงๆนั้นเออมันก็ดีมันกำลังแสดงให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะ อ่าแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราจริงๆเพราะเราบังคับเขไม่ได้เลยนะแค่นี้จิตมันก็หลุดแล้วมันก็มีความสุขทันทีเลยไป บ, บัตรทำมันก็ก้าวหน้าทันมาอีกไ่มั้ยเนี่ยก็แค่นี้เท่านั้นเองนะเนี่ยมันก็เป็นการที่เรียกว่ากลับมารู้ความจริงในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะโดยที่ไม่ไปทุกข์กับเขานะไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมรับยอมรับไปเท่านั้นเองอจิตก็ไม่ทุกข์มันก็ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่มันจะต้องไปไปดิ้นรนในทางใจอีกต่อไปนะ เนะพราะนั้นถ้าแต่พวกเรายังไม่ถึงระดับนั้นก็มาดูโดยอาศัยฐานกายนี่แหละมารู้ความเคลื่อนไหวทางกายนะดูกายเนี่ยมันก็เห็นจิตนะดูกายดูมันก็ดูไปนะดูการเคลื่อนไหวของมันนะไม่ต้องไปจ้องในเท่งเขามาดู้เล่นๆ เ, นเนท่านั้นเองเป็นอย่างไรยกมือเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดินเป็นอย่างไรนะใหม่ๆถ้าเราไม่รู้อะไรก็เอาตัวรู้ไว้ก่อนก็ได้เรู้ให้มันมีตัวรู้สักอย่างหนึ่งเช่น เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะแขนเคลื่อนก็รู้แขนหยุดก็รู้แขนกระทบก็รู้นะรู้เดินก็รู้ไปก่อนเออท่าก็ทบพื้นก็รู้นะเท่าทบพื้นก็รู้เนี่ยก็ใส่ตัวรู้นี่ไปก่อนนะศัยตัวรู้เนี่เข้ามาพัฒนามันนะรู้การเคลื่อนไหวก็เรียกว่าดูกายนะดูกายก็คือตัวรู้นี่แหละอ่าเราก็กลับมาสร้างตัวรู้เยอะๆพอสร้างตัวรู้เยอะๆไอ้ความหลงมันก็น้อยลงนะความหลงก็คือความคิดนั่นแหละที่เราไม่รู้ทันความคิด ความหลงหรือมหาก็คือเราไม่รู้ว่าขนาดนั้นเรากำลังทําอะไรอยู่เช่นคิดก็ไม่รู้ว่าคิดน่ะรักหรือชังก็ไม่รู้ว่ากําลังรักกำลังชังนะกำลังนั่งกําลังนอนกําลังเดินกําลังกินข้าวก็ไม่รู้ว่ากําลังกินกําลังอะไรอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าหลงไปทั้งนั้นนะไอ้ตัวหลงเนี่ยก็คือตัวอันตรายที่ใหญ่นะให้คนเรามีความทุกข์นะเพราะมันหลงนะครนี้วิธีการที่จะให้มันหลงน้อยเนี่ยไม่ต้องทําให้มันไม่ให้ความหลงหมดไปมันหมดไปไม่ได้หรอกความหลงนี่แหละ นอกจะเป็นพระอรหันแล้วในความลงถึงหมดไปเพราะนั่นเมื่อเราเป็นปุรุชนอยู่เน้อยเไม่ได้ไห้ามไม่ไม่หลงนะไม่ไปห้ามความคิดหรืออะไรทั้งหลายแลไรไม่ได้ไปห้ามเพียงแต่เราใส่ตัวรู้ไปเยอะๆในความหลงก็จะน้อยลงนะเหมือนกับน้ําที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะก็จริงเราไม่ต้องทําให้มันหมดไปหรอกเราใส่น้ําไปดีๆใส่น้ําดีไปเยอะๆเน่ยน้ําเน่ามันก็น้อยลงไปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแค่เราให้มันรู้เยอะๆเนี่ยไอ้ตัวหลงมันก็น้อยลงไปแล้วนะมันก็แค่น้อยไปพอแล้วไม่ต้องไปให้มันหมดไปนะอ่า พรสักวันหนึ่งถ้าเราทําหนึงสุดมันก็จะหมดไปเองนะเพราะนั้นไม่ได้ไปกังวลเออเราทําแล้วมันยังคิดอยู่น่ะทําแล้วทําไมจิตมันไม่สงบนะทําไห้ทําแล้วมันยังมีความโกรธความฟุ้งซ่านความไม่พอใจอยู่อันนั้นเป็นความหลงอยู่แล้วแหะตาบใดยังไงเป็นพระรหันต์ก็มีอยู่กันทุกๆคนน่ะนั่นแหละถ้ายิ่งไปทํามันหมดมันที่มีความทุกข์เราเพียงแต่ทําให้ตัวรู้เยอะๆเท่านั้นเองนะแล้วก็เนี่ยดูกายนะไม่ไปเห็นจิตอย่างที่ว่านั่นแหละ เห็นจิตก็เห็นในความคิดทั้งหลายนั่นแหละความคิดเป็นอย่างไรนะ<า>เกิดขึ้นเรารู้ไหมรู้แล้วไปแทรกแงมันไหมแทรกแซง อ, ก า, อากาศยังให้มันดับไปไหมหรือจะอยากจะอยู่กับมันนะก็คือไม่ต้องไปยุ่งละมันก็รู้้ใหเฉยๆก็พอแล้วมันจะคิดก็ช่างหัวมันแค่นั้นเองนะหรือมันจะอะไรเกิดขึ้นในทางจิตทางใจไปรักไปเกลีดยดใครก็ช่างมันก็ดูไม่ันเฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปแทรกแซงมันไม่ต้องไปตั้งใจที่ไปดูมันนะ ไม่ต่อไปตั้งใจที่ไปแทรกแซงมันเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องไปเข้าไปดูให้มันถนัดถนัดตัวมันเป็นยังไงนาะไปดูมันถนัดเลยก็กลายไปไปเพ่งไปจ้องอีกก็ไม่ไปทําแบบนั้นนะก็คือก่อนเนี้มันรู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเพ่งไปคอยดูมันรู้แล้วก็ไม่ต้องถลับมัไปดูมันเมื่อรู้แล้วไมื่อเราแทรกแซงมันแค่นี้เองนะมันก็จะง่ายๆเบาๆนะเพราะจริงๆเราจิตมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะความโกรธเนี่ยไม่มีใครมีความสุขจากความโกรธหรอกจิตมันรู้อยู่แล้วแล้วความโกรธมันเป็นความทุกข์นะ เพราะนั่นแค่เรารู้มันเฉยๆเนีจิตมันก็จะปล่อยมันเองนะมันจะปล่อยมันเองนะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายในจิตมันมันจําได้แล้วม so ันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะแค่เรารู้เฉยๆมันจะปล่อยมันเองนะอันนี้ยเราก็ดูกายเห็นจิตในตรงนี้นะพอเห็นจิตเนี่ยอดูกายเห็นจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดมันจะเห็นธรรมนะก็คือเมื่อเราเห็นความคิดทั้งหลายหลาเนี่ยมันจะเห็นสภาว่าที่มันเกิดแล้วก็ดับไปนะ เห็นความคิดที่มันเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้นเป็นสิ่งที่ธรรมดามากเลยถ้าใครเจริญสติเนี่ยมันเห็นในพวกนี้อยู่ประจําอยู่แล้วน ะ, ะเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับความคิดในทั้งวันเกิดดับทีมากเลยนะม<ค><ด>ันก็เห็นในตัวนี้เออมันก็เป็นแบบนั้นเองนะเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับมันก็เห็นความติ่งเออเนี่ยแหละมันก็คือเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดลาหลอมทั้งหลายแหล่ะ พอเห็นตรงนี้ปั๊บมันก็เหเขาม่เห็นไปรักอีกนั้นเองนะไปรักก็คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพอเห็นตรงนี้จิตมันก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกมาคลายความยึดติดนะนะในสินง่งต่างๆเออความคิดมันก็ทํางานมันเองเนาะมันเกิดแล้วมันก็ดับขึ้มันเองนะพอมาเห็นความคิดแล้วนะจิตมันจะเริ่มที่จะเข้ามาที่จะรู้สึกตัวได้มากขึ้นนะรู้สึกตัวหมายความว่ามันจะเริ่มเข้ามารู้นืรู้ตัวได้มากขึ้นนั่นเองนะรู้เนื้อรู้ตัวเออขณะนี้กำลังคิดไปแล้วนะ พอมันรู้ง่าปั๊บน่ยมันจะไปเห็นอารมณ์ต่างๆด้วยนะอย่างหน่อยมันความอารมณ์ต่างๆความยินดีร้ายความรักความชังความเกลียดความโกรธความกลัวความเหงาความง่วงนะความเปรี้ยวนะพวกนี้คือลมทั้งนั้นเลยนะพวกนี้เป็นความทุกข์ด้วยนะอารมณ์และความทุกข์หรือกิเลสใ้มันตัวเดียวหมดเลยนะกิเลสอารมณ์ความทุกข์ในตัวเดียวกันนะเราก็จะเห็นมันด้วยเออเมื่อเรารู้เรารู้ตัวแล้วเนี่ยพวกนี้เราจะเห็นมันชัดเอ้เกิดแล้วก็มันก็เห็นนะ เพราเราเห็นเราเห็นเฉยๆนะมันก็ดับไปเห็นเฉยๆมันก็ดับไปนะมันก็ง่ายๆนะแต่ที่เราไม่เฉยๆเราอยากให้มันดับโอ้ความโกรธเกิดขึ้นเราอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับหรอกเพื่อความโกรธที่เราอยากให้มันดับไหนความอยากที่ให้มันดับมันเป็นตัวโลภนะเป็นโลภะนะจิตมันเกิดได้แต่ขณะเท่านั้นเองนะขณะที่เกิดความโกรธนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอวุศสแต่พอรู้สึกตัวเออรู้เฉยๆนันเป็นความรู้สึกตัวนะอันนี้เป็นกุศลจิต พอความรู้ตัวหรือความรู้ที่เฉเกิดขึ้นคือกุศลเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยอกุศลก็ดับไปนะแล้วความกลมันก็ดับไปนะเพราะ่อในตัวเนี่ยพิจเรารู้ที่เฉยเท่านั้นเราไม่ได้อยากให้มันดับมันก็ดับมันไปได้เองนะเพราะว่ามันเป็นกุศลจิตนะกุศลจิตเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยกุศลก็ดับไปทันทีมันไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันสองดวงนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้นะระยะหนึ่งเมื่อจิตมันรู้แต่ละขณะแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้เนี่ย ปั๊บน่ยความหลงก็จึงหายไปในตรงนี้ไงเพราะความหลงในเป็นอากุศล น, นะแต่เมื่อเราขึ้นใบวปับ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยตัวนี้เป็นกุศลกุศลเกิดเมื่อความหลงก็หายไปทันทีเลยนะแล้วก็สร้างในตัวรู้นีให้เยอะๆสร้างตัวรู้นีให้เยอะ ๆ, ๆจนจิตมันเข้าใจในสภาวะที่มันเป็นอันจัทนทรคันตาก็คือไม่เตาดีกลับมาเห็นความไม่เที่ยงของกายและใจเท่านี้เองนะจิตมันจะค่อยๆยอมรับความจริงยอมรับความจริงไปเรื่อยๆนะจนต่อไปน่ะ เราก็จะสังเกตจิตได้ไวขึ้นเรื่อยๆเออขณะนี้อะไรเกิดขึ้นนะความเกลียดความโกรธความรักความชังมันจะเห็นได้ชัดขึ้นพอเห็นได้ชัดขึ้นยิ่งเห็นได้เร็วๆนะยิ่งปล่อยได้เร็วนะที่มันปล่อยช้าเพรเราไม่เห็นมันเช่นความโกรธเนี่ยมันคนโกรธนั้นไม่รู้ว่ากําลังโกรธเนี่ก็โกรธทั้งวันอบางคนเป็นบวันๆหรือหลายๆวันก็มีนะกลายเป็นอาความอาฆาตพยาบาทไปเลยนะแต่ว่าเราเห็นได้เร็วนะเห็นได้เร็วปั๊บเนี่ยมันก็ดับได้เร็วนะยิ่งเห็นเร็วเนี่ยยิ่งดับได้เร็วนะ พรงั้นแค่เราแค่รู้รู้ทันมันไวๆนะมันก็จะดับไปได้เองนะถ้าจิตมันรู้แล้วเรามันมีความทุกข์มันก็ไม่อยากจเอาเวลาแหละอย่างนันยิ่งเราเห็นได้ไวเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดับได้เร็วเท่านั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะกลับมาก็คือดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นธรรมก็คือตรงนี้นะเห็นหมดเลยนะแค่เรามารู้ฐานกายมันก็ไปเห็นในพวงนี้ทั้งหมดเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมก็เห็นกขมันไปต่อสายเนี่ย ความทุกข์ก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันจะเป็นปกติได้มากขึ้นนะมันจะยอมรับความจริงได้มากขึ้นนะมันจะรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปจากเมื่อก่อนที่เรายึดทุกอย่างนะยึดนะตัวตนของเรานะพอยึดตัวตนแบบก็มีลูกเมียของเราสัพว์ประหลัของเราอะไรๆของเราเพราะนั้นอะไรเมื่อกระทบทําให้เราสูญเสียประโยชน์ในจุดนั้นนะนะก็มีความทุกข์ทันทีไม่ว่าเป็นกระทบเรากระทบลูกเมียงเรากระทบอะไรของเราปุ๊บมีความทุกข์ทันที แต่ว่าจิตมันรู้แล้วเออมันมันมาตรงนี้นะไม่เห็นความยึดติดในตรงนี้นั่นแหละเออเราไปยึดกับมันนะพอมันคลายปุ๊บมันจะคลายทั้งระบบเลยนะความยึดติดก็คลายไปด้วยเนี่ยเออเมื่อมันไม่ให้ตัวในตนของเราและลูกเมียงก็ไม่ของเราทภาพสมบัยก็ไม่ของเราเพราะนั้นเมื่อกระทบปั๊บเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเราก็ยอมรับไปหมดนะมันก็คลายนะคลายทั้งระบบเลยเพราะเรากลับมาเห็นความจริงแล้วเนยเออตรงนวมันจะไปยึดติดมันดีกว่านะยึดอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะมันก็ค่อยๆปล่อยมันเองนะเนี่ย แล้วก็กลับมาสู่ในจุดนี้เออเราต้องเห็นก่อนนะทุกอย่างในเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไปดันตาแล้วมันจะได้คลายความยึดติดพอคลายความยึดติดเมื่อมันคลายตัวเราแล้มันจะเฉพาะคลายความยึดตนดตัวเราเท่านั้นเองมันก็คลายทั้งร ะ, ระบบเลยนะอันเนี้ยก็คือความพทุกข์ที่แท้จริงนะอแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นะให้ทุกท่านเนี่ยอมีความเจริญในธรรมนะทุกคนนะให้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ถึงซึ่งความทุกข์ได้ในชาติปัจจุบั น, นีท้ทุกท่านเถิด เนะต้นตัวกาะพ